หมุสาวาตวัดสิบปทวีค า, านาสิขาบทว่าด้วยการขุดดินเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวี84สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะอัคคารวะเจดีเขตเมืองอารวีสมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีช่วยกันก่อสร้างขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินพวกชาวบ้านจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่า ชไนพระสมณะเชื้อสายสกยตบุตรจึงขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินเล่าพระสมณะเชื้อสายสกยตบุตรเบียดเบียนชีวะซึ่งมีอินทรีย์เดียวพวกพิสูุนได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิประนามโพลธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพลธนาว่าชไนพวกภิกษุชาวเมืองอาราวีจึงขุดบ้างใช้ให้ขุดบ้างซึ่งดินเล่า